เป็นโอกาสพิเศษที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้บำเพ็ญจิตภาวนาซึ่งเป็นภาระปกติที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยและในขณะเดียวกันได้ร้อมใจอุทิศถวายเป็นราชกุศลแ ด, ดส่สมเด็จราชินีให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืดนานเป็นการแสดงออกซึ่งความ กตัญญูกตวเวทีตามสมควรแก่สถานะสมเด็จพระราชนีนั้นไป็นชื่อว่าเป็นผู้ที่แสดงบุญและธรรมะให้ปรากฏอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของบุคคลทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งกล่าวว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นซึ่งส่วนแห่งบุญนั้น ้วยการที่พระองค์ท่านมีความเจริญเติบโตขึ้นมาโดยดําดับจากฐานล่างของสังคมมาอยู่ถึงจุดสูงสุดของสังคมซึ่งถ้าเรามองย้อนประวัติศาสตร์ของชาติไทยไปก็จะพบว่าเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้จดจารึกไว้ซึ่งสามารถแสดงบุญญาธิการให้ปรากฏอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ประการที่สองเป็นการแสดงออกซึ่งความมีธรรมะในระดับต่งตางๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของพรหมวิหารได้รมผูกสังหาวัตุธรรมเป็นต้นให้ปจากทั้งส่วนที่เป็นการเคลื่อนไหวในอิรยิยาบถและการพิสูจน์ได้ออกป่าเป็นส่วนของรูปธรรมในลักษณะต่างๆ คุณธรรมเหล่านี้อันที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของคุณธรรมซึ่งหลักของพระพุทธศาสนานั้นเพิ่สังเกตว่าวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีการสอนอยู่สองแนวในหนึ่งที่เราเรียกว่าปุกลาทิศฐานคือยกนิทานบุคคลเรื่องราวต่างๆขึ้นเป็นตัวอย่างการกระทาของบุคคลเหล่านั้นเอง เป็นการชี้เห็นถึงความดีความชั่วที่บุคคลเหล่านั้นกระทําแล้วก็มีผลออกมาเป็นความสุขความทุกข์ในช่วงนั้นๆตลอดถึงเป็นความสุขความทุกข์ที่เขาจะรับในโอกาสต่อไปพระธรรมเทศนาในแนวนี้จะมีปรากฏมากในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพราะง่ายต่องงตการศึกษาและทําความเข้าใจของบุคคลทั้งหลายเนื่องจากตัวอย่างบุคคลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องราวมีเจตนามีการกระทามีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาที่เป็นรู ป, ปรธรรมแล้วเมื่อศึกษาสเสนอสนใจก็จะเห็นว่าเป็นวิถีชีวิตที่ควรแก่การถือตามปฏิบัติตามสายหนึ่งและเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ควรถือตามไม่ควรปฏิบัติตามสายหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มของคนผานที่ไม่ควรถือตามปฏิบัติตามและกลุ่มของบัณฑิต คือกลุมที่ควรถือตามปฏิบัติตามซึ่งคนนี้พระเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้ในมงคลใสูตรในข้อแรกอย่างที่ทราบกันว่าสรงท้ามใคบคนผ่านให้ครบหาสมาคมกับบัณฑิตซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตว่าเราจะไปดีหรือไม่ดีก็อยู่กันตรงนี้แต่ก็เริ่มต้นที่คบคนผ่า น, นโอกาสต่อไปก็เลือกพูดถึงมงคลในข้ออื่นเพราะจะไม่เกิดขึ้น จะต้มีการเริ่มต้นดนการคบหาสมาคมกับบัณฑิตเข้ากลายศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นได้โดยดําดับจนถึงจุดสูงสุดในการปฤตปฏิบัติการสอนธรรมะในกลุ่มนี้จะพบว่าเป็นเรื่องของชาดกวิมานวัตถุเปตวัตถุต่อต่เรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวกับพระรยสาวกยาวิกาต่าง แต่บางครั้งก็จะมีการแสดงธรรมะพลกันไปกับเรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นเช่นผู้ประสูติทั้งหลายธรรมะอีกแนวหนึ่งเป็นธรรมาทิฐานาคือแสดงถึงองค์ธรรมเหล่านั้นซึ่งผู้ศึกษาจะต้องใช้ปัญญาปินิพิจนามากจึงจะเกิดความเข้าใจเพราะว่าธรรมะที่นำมากล่าวจะมีลักษณะเป็นนามธรรม บุคคลจะต้องเข้าใจถึงสภาวะของธรรมะเหล่านั้นและเนื้อหาของธรรมะเหล่านั้นตลอราถึงนึกน้อมเข้าหาสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ความเข้าใจจึงจะเกิดขึ้นเป็นมว้แต่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีพื้นฐานวัฒนาบา ร, รมีสูงส่งจริงๆจึงสามารถเข้าใจได้แม้ในส่วนที่เป็นนามธรรมการสอนธรรมะทั้งสองแนวนี้มีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่ส่วนที่เป็นธรรมะล้วน ที่เรียกว่าปรัชมธรรมเช่นพูดถึงจิตเดชสิกรูปนิพพานนั้นก็จะมีการเน้นอยู่ในคัมภีอภิธรรมอิโดในกลุ่มธรรมเหล่านี้จะไม่มีการพูดถึงตัวบุคคลตัวสัตว์ตัวสิ่งของต่างๆแต่จะมีการพูดถึงสภาวธรรมทั้งหลายที่เดินไปตามเหตุปัจจัยของธรรมะเหล่านั้น จะสอนธรรมะโดยปริยายใดก็ตามจะอำนวยผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลและอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้ค น, คนั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติในกลุ่มของปุกลาทิฏฐานาคือยกบุคคลขึ้นมาเป็นนิทานเป็นบทตั้งเพื่อให้ศึกษาวินิจฉนาณนั้นท่านได้แสดงไว้ในสาธุนรธรรมคือธรรมะของคนดีว่าให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้ว ซึ่งหมายความว่าเราศึกษาตัวอย่างบุคคลเหล่านั้นโดยเฉพาะที่เป็นคนดีแล้วก็ถือตามปฏิบัติตามก็จะทำให้ชีวิตของบุคคลที่เดินตามไปประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันพอทางแห่งชีวิตแล้วเมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะพบว่ามีอยู่สองทางเท่านั้นเองคือทุกขโตกับสุขโตผู้ไปสถานที่ไปเรียกวสุกติกับทุกติผู้ไปเรียกวสุขโตกับทุกโตสุขโตคือคู่ไปดีทุกโตคือคู่ ผู้ไปชั่วไปแล้วเดือดร้อนสถานที่ไปของบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นเราเรียกว่าสุคติคือ แ, แสดงว่าไปดีหรือสถานที่ไปดีหรือทุกติก็สถานที่ไปแล้วก็เดือดร้อนอันเป็นผลที่จริงแล้วก็เป็นผลของอกุศลรธรรมกับกุศลแธรรมแต่ส่วนที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือเป็นการไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงได้เกิการบรรลุมรรคผลสูงสุดในทางอ ร, รรถศาสตร์ศาสนา ในแนวการสอนในแนวนี้แม้ในระดับของกรรมฐานก็จะเห็นได้ว่าพวกกลุ่มของอนุสติทั้งสิประการที่ทรงแสดงไว้นั้นจะมีการแสดงธรรมะที่ให้บุคคลมองไปที่ตัวบุคคลอยู่หลายข้อด้วยกันเช่นพุทธานุสติตั้งสติจามาลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่องค์ของพระพุทธเจ้าเองหรือสังขานุสติตั้งสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ ได้แก่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรปฏิบัติชอบจริงเราก็ถูอตามปฏิบัติตามตำแนวการประพฤติปฏิบัติของท่านหรือผู้เทวดานุสติได้แก่การตั้งสติตามระลึกถึงคุณธรรมที่ทําให้บุคคลเป็นเทวดาแต่ว่าการมองในครั้งแรกก็มองจากตัวเทวดา เพราะเกิดศรัทธาภาษาธะที่จะมีที่จะได้ที่จะเป็นอย่างที่ท่านได้ท่านมีท่านเป็นและในา ท, ที่สุดก็หันมาศึกษาถึงเหตุที่ให้ท่านได้ท่านมีท่านเป็นเช่นนั้นและน้อมนาธรรมะนั่นเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติที่ทำให้ท่านประสบความสาเร็จมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของตนเองถ้าเราถึงพวกอุปสมานุสติคือตั้งสติระลึกถึงนิพพาน ความหมายถึงว่าเป็นการระลึกถึงคุณของพระหันทั้งหลายด้วยและในที่สุดก็น้อมนำถึงธรรมะที่ทำให้ท่านบุคคลเหล่านั้นเป็นพระหันหรือแม้แต่นมนัสติเองก็เป็นการระลึกถึงผู้ตายระ ล, ลึกถึงความตายและลึกถึงโดยเล่าถึงผู้ตายมาก่อนแล้วเราเลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ตาย และในสุตรก็น้อมนำว่าความตายเหล่านั้นเป็นสภาวธรรมเมื่อเกิดขึ้นใครใครก็ทําให้บุคคลนั้นตายเช่นเดียวกันจึงมีสัตว์ตายคนตายและสิ่งของตางหลายตายแม้แต่เราเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เป็นต้นดังนั้นเฉพระในที่นี้เพ้อสอดคล้องกับโอกาสพิเศษที่จะมีการประรบ ถ, ถ, ถึงวันราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชุตี ในหน้าที่จะมองถึงกลุ่มของธรรมะที่เราเรียกว่าเป็นเทวธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดานั้นพระเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยนิยต์ต่างๆมีทั้งหมดประมาณสามสี่กลุ่มด้วยกันแต่ว่าแต่และกลุ่มแล้วเมื่อกล่าวโดยผลก็คือการเพิ่มพูนขึ้นแทงธรรมะและการลดละบรรดากิเลสอกุศลให้เบาบาง ให้เตือจางบาบางลงไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นเทวดาในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นท่านแสดงไว้เป็นสามกลุ่มด้วยกันคุณสังเกตว่าแต่และกลุ่มนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติความดีของท่านเหล่านั้นประการแรกเรียกว่าอุปฏติเทศเทวดาโดยกำเนิด แสดงถึงผลแห่งความดีงามที่ท่านประพฤติกระทําเอาไว้มืหลังจะตายไปแล้วก็ บ, บังเกิดในสุคติทําให้ท่านได้เป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นนั้นนัสมงสมมติเทพเทวดาโดยสมมติเป็นการแสดงผลของบุญกุศลที่บุคคลกระทาบุคคลเหล่านั้นกระทาไว้ในชาติปางก่อนหรือว่าสร้างสมขึ้นในชาติปัจจุบันทำให้อยู่ในฐานะที่สูงสุดของสังคมเช่เป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นต้น การที่สามิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่เกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์ได้แก่การที่บุคคลเหล่านั้นมีการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตอนเองให้มีกิเลสเจือจางบาบางลงไปโดยดําดับแล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์ในฐานะนั้นๆจนเป็นพระยาบุคคลในดับต่างๆและวิสุทธิเทพที่สูงสุดก็คือพระอาหารหันต์ทั้งหลายเพราะเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นเทพนั้น แสดงให้เห็นว่ากิเลสจะต้องลดลงไปจนจิตใจมีความสูงขึ้นจากอำนาจของกิเลสและอารมณ์โดยลำดับกิเลส ท, ทั้งหลายนั้นเมื่อก่าบโดยสรุปก็คือพวกกลุ่มโลภโกตรธโกรงนั่นเองแต่การที่บุคคลสามารถทำใจของตนเองให้สามารถสงบปลกความโลภความโกรธความหลงลงไปจนอาจละละวาง สร้างความเมตตาให้บังเกิดขึ้นภายในใจตนเองแล้วก็แผ่ไปออกไปได้ทางกายทางวาจาต่อบุคคลทั้งหลายอานวยความอานวยประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องแสดงเห็นว่าธรรมะได้ไหลไปทางกายทางวาจาทางใจของบุคคลผู้นั้นอย่างต่อเนื่องทตาให้เกิดความสงบเย็นขึ้นภายในใจตัวเองก่อนแล้ว การแสดงออกทางกายทางวาจาของบุคคลนั้นก็จะเย็นตามไปด้วยแต่มากข้ออื่นก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเฉพาะในที่นี้จะกล่าวถึงกลุ่มหนึ่งที่ทรงแสดงไว้เป็นเจดข้อด้วยกันข้อแรกก็คือการอุปถากภ์บรุงมารดาปิดาเป็นการแสดงถึงปัญญาที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลผู้นั้น มองเห็นคุณโดยความเป็นคุณมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษมองเห็นผู้มีคุณว่มีคุณแล้วเชื่อมโยงเข้ามาหาตนเองสำนึกเห็นว่าบุคคลคู้นั้นได้มีอุปการะคุณต่อตนเป็นผู้ให้ชีวิตให้ร่างกายให้ทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นอยู่ของตนนั้นเกี่ยวเนื่องกับท่านไม่อาจที่จะแยกออกจากกันได้แล้วอาศัยความสานึก เช่นนี้เองก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้เป็นบารดาปิดาอุปถากรมรุงท่านตามภาระหน้าที่ที่ท่านกําหนดเอาไว้ประการที่สองมันแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญทั้งหลายซึผู้เจริญในสังคมเหล่านั้นท่านสังเกตว่าท่านจำแนกแสดงไว้เป็นสามกลุ่มด้วยกันคือเจริญโดยวัยเจริญโดยชาติและเจริญคุณด้วยคุณธรรมความตี การที่บุคคลสามารถแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อบุคคลอื่นได้นั้นหมายถึงการลดละมานณความกระด้างซึ่งมีอยู่ภายในใจของตัวเองให้บรรเทาเบาบางลงไปและพร้อมที่จะแสดงความอ่อนน้อมต่อเชื้อทบุคคลทั้งหลายในที่นี้ถ้าใ น, นเริ่มต้นจากเชื้อบบุคคลคือผู้ใหญ่ภายในสกุลของตนคือคนตั้งแต่พี่ของตนเป็นต้นไปสูงขึ้นไปโดยลาดับ ลักษณะการแสดงความอดน้อมนี้นอกจากจะเป็นการลดละมานะแล้วเป็นการแสดงเห็นทุ้งปัญญาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นที่มองเห็นคุณธรรมความดีซึ่งมีอยู่ในบุคคลอื่นจนเป็นเหตุให้ ต, ตนลดละมานะและแสดงความเคารพความอดน้อมต่อบุคคล น, นั้นได้ประการต่อไปก็คือการลดเว้นวาจาอันมีลักษณะอสอดสีย พระเจาส่อเสียดนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นจากวิหิงสาหรือเกิดขึ้นจากโกระหรืออาจจะขึ้นเกิดขึ้นจากโทสะก็ได้ได้แก่การนําความข้างนี้ไปบอกข้างโ น, น้นนําความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เพื่อให้บุคคลสองส่ายนั้นแตกแยกกันเพราะนั้นงกล่าวว่าอาจจะเกิดขึ้นจากวิหิงสาความเบียดเบียนเกิดขึ้นจากโกระความโลภหรือเกิดขึ้นจากโทสะความมัธุสายก็ได้เพราะว่า การที่บุคคลนิยงส่งเสริมไม่เกิดความแตกแยกกันบางครั้งต้องการได้ผลประโยชน์จากบุคคลทั้งสองฝ่ายจือนำความข้างนี้ไปบอกข้าโ น, น้นนำความข้าน้นไปบอกค้างนี้การกระทําในลักษณะนี้ชื่อว่าเป็นการกระทําด้วยความโลภแต่บางครั้งมีความโกรธมีความไม่พอใจบุคคลทั้งสองฝ่ายอยู่มุ่งให้เขาทั้งสองนั้นทะเลาะแตกแยกกันและตนจะ รู้สึกพอใจยินดีในความแตกแยกเหล่านั้นเพราะได้อาศัยอีกฝ่ายหนึ่งทําลายอีกฝ่ายหนึ่งโดยตนเองไม่ต้องลงมือมากมายนักนี้แสดงว่าทำไปด้วยความโกรแต่บางครั้งเป็นเรื่องของวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลมุ่งต้องการหาความสนุกความสะใจความมันในอารมณ์ของตนโดมีการดุจงให้เกิดความแตกแยกการกระทาในลักษณะนี้แสดงว่าทำไปด้วยความเบียดเบียน เรการที่บุกคลสามารถนดเว้นถ้อยคาในลักษณะเป็นการสอเสียดยุยงให้เกิดความแตกแกกยกได้จึงชื่อว่าเป็นการลดละความโลภความเบียดเบียนและความโกรธให้บรรเทาบางลงไปจากจิตใจและที่สำคัญอย่างยิ่งจะเห็นว่าลักษณะาการแสดงออกในแนวนี้จะครอบคลุมไปสู่เทวธรรมข้ออื่นๆอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้เช่นทรงแสดงเึ่ฮิริโอตปะว่าเป็นเทวธรรม คือเป็นธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาประการที่บุคคลงดเป็นไม่มีการพูดในลักษณะที่สอดเสียดหรือว่ามีความอดน้อมถ่อมตนต่อเชิดถบุคคลหรืออุปทาครุมานดาปิดานั้นที่จริงแล้วใจิตใจเขาก็ต้องมีความละอายบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นฐานรองรับอย่างสำคัญอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่อาจที่จะประพฤติปฏิบัติในลักษณะเช่นนั้นได้ประการที่สี่ เจรจาถ้อยคำที่ไพเราะ อ, อ่อนหวานคำที่ไพเราะอ่อนหวานนั้นเกิดขึ้นจากฐานจิตที่กรอบด้วยความรักความเมตตาต่อบุคคลที่ตนพูดด้วยแะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องของอัธยาศัยที่สร้างจิตสันดานของบุคคลผู้นั้นอันเป็นผลของบุญกุศลที่เขาได้กระทำสั่งสมบุรุกมาทำให้มีพื้นอัธยาศัยอ่อนโยน นี่ความรักความเมตตามุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นเมื่อจะพูดอะไรก็มุ่งที่จะให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลผู้นั้นวาจาในลนักษณะนี้จึงเป็นการสะท้อนออกมาจา ก, กจิตที่กรอบด้วยเมตตาประกอบด้วยความรักความหวังดีต่อบุคคลที่ตนพูดด้วยซึ่งก็หมายความว่าเป็นการลดละกิเลสประเภทโทสะและบันทาบาบางลงไปจา ก, ก จ, จิตใจประการที่5สามารถที่จะขจัดบรรเทาความสนี ที่มีอยู่ในลักษณะต่างๆให้ออกไปจกะกิดใจจนสามารถลดละสละละวางสิ่งที่ตนถือครองครอบครองอยู่เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อกูนกับบุคคลทั้งหลายมีการให้ทานการสงเคราะห์นุเคราะห์ออกมาในลักษณะต่างๆและประการที่6เจรจาถ้อยคำที่เป็นคำสัต์คำจริง คำสัตย์คำจริงนั้นเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทาและมีความมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลที่ตนต้องการสื่อหรือต้องการพูดจาด้วยทั้งหลักลักษณะของสัจวาจาจึงเป็นอริยโวหารคือโวหารของภ ร, ริยะเป็นคาพูดของภ ร, รยิยาหรือเป็นคำพูดของผู้ประเสริฐ ลักษณะวาจาที่เรียกว่าเป็นสัจวาจ า, า, จานั้นได้ทรงแสดงไว้ในประบาลีสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็คือได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นโดยไม่ย่อให้น้อยลงหรือไม่ขยายให้มากขึ้นจากความเป็นจริงในกรณีที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ก็พูดไปตามนั้นเป็นการสะท้อนความจริงเท่าที่ปรากฏจากประสาทสัมผัสของตนเอง และที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเวลาความโกรธบังเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนเวลามีการกระทบกับอารมณ์ชี่ก่อให้เกิดความขัดเคืองความไม่พอใจความหมงุดหงิดอาจจะกระแทกกระทันภายในจิตใจแต่ จ, จะไม่กระทบกระเทือนถึงใจหรืออาจจะกระทบกระเทือนแต่ควบคุมสีหน้าท่าทางไม่แสดงออกมาทางวาจาหรือทางกายให้ปรากฏแก่บุคคลทั้งหลาย เพราะการระวับระดับเทวดานั้นไม่ใช่ระดับพระริยะที่จะต้องตัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงระดับเทวดาเป็นเรื่องของการบรรเทาเป็นเรื่องของการลดเป็นการละเป็นการข่มอำนาจของกิเลสเอาไว้แม่รู้อำนาจแก่กิเลสแต่อาจรมณ์ที่บังเกิดขึ้นตานองเดียวกับการใช้อๅวตร ะ, ะเป็นเครื่องคุมกิเลสไม่ได้หมายความว่ากิเลสได้หมดไปจา ก, กจิตใจอย่างสิ้นเชิงจะเป็นการติดกั้นกระแสของกิเลส ไม่ท่วมทับใจจนแสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นการวทุษร้ายต่อตอนเองและเป็นการวทุษร้ายต่อบุคคลอื่นเท่านั้นดังนั้นในข้อนี้ท่านจึงใช้คําว่าครอบนาความโกรธได้ซึ่งก็หมายความเมื่อความโกรธปังเกิดขึ้นนั้นก็มีการลดละบรรเทาจนถึงก็ค่มความโกรธหรือค่มใจห้ามใจไว้ได้คุณธรรมทั้งเจประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นวัตรบท คือเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้บุคคลเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้องค์อาจเป็นผู้กราหารจนถึงจะเป็นท้าวสกเทวราชในสวงสวรรค์คุณมรรมทั้งเกจประการ น, นี้ถ้าหากว่าท่านพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาพาิจารณาเทียบเคียงแล้ ว, วจะพบว่าจะมีอยู่ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีตัในส่วนของการให้การอุปถัมภ์บารุง กุลเชษคือผู้เป็นใหญ่ภายในสกุล ข, ของท่านที่น่าศึกษาสนใจก็เพราะว่าท่านได้ศึกษาและเรียนในสำนักของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์นวนพุทธศระวัฒนงคารามท่านความเคารพนับถือในท่านสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์นวลเป็นอย่างสูงและอุปถมัมภ์บำรุงวัดอานงคารามสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันพระดํมรับที่รับสั่งในที่ต่างๆ แกบุคคลต่างๆที่เราได้ประสบพบเห็นได้ยินได้ฟังไม่ว่าในที่ใดก็ตามแสดงให้เห็นถึงน้ําพระทัยที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาต่อบุคคลทั้งหลายมาทรห่วงใยในความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลทั้งหลายไม่ว่าคนที่ประสบความยากไร้ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บหรือประสบกับอันตรายต่างๆจะทรงสามารถาากระจัดปันญหา ความทุก์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นได้โดวยวิธีใดจะส่งปฏิบัติโดยวิธีนั้นนภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในข่าวโทรทัศน์ก็ดีในข่าวหนังสือพิมพ์ก็ดีตลอดระยะเวลาจาวนานนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นการสะท้อนออกมาจากพรมระพุทยที่ประกอบด้วยเมตตาความกรุณามุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลทั้งหลายเป็นอย่างสูงลักษณะของธรรมะที่แสดงออกมานั้น จะต้องมีการประสบกับอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นธรรมะเป็นเครื่องกําหนดเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรามีธรรมะหรือไม่เพราะถ้าหากว่าไม่มีอารมณ์มกระต้นบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเรามีธรรมะอยู่หรือไม่ดังเช่นในกรณีของเมตตาจิตนั้นจะมองสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์โดยไม่กําหนดหมายว่าเป็นเราเป็นเขาแต่มองในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมทุกข์ เ่ อ, อย่งน้อยที่สุดก็ร่วมชาติกันแล้วก็แสดงความเมตตาจิตออกมาได้ทางกายบ้างทางวาจาบ้างโดการกระทาอะไรทางกายก็เป็นการกระทาด้วยมุ่งดีปรารถนาดีที่จะให้เป็นประโยชน์กื่กูลแก่บุคคลล่านั้นเวลาจะพูดจาอะไรทางวาจาก็พูดด้วยความมุ่งดีปรารถนาดีที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่บุคคลล่านั้น ซึงจะเห็นได้ว่ า, ากิจกรรมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนิริย์หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสมเด็จยาของประชาชนคนไทยนั้นเรวมถึงมีความรู้สึกต่อบคุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ตกทุกข์ยากไร้ซึ่งเราพูดกันว่าในสังคมไทยเรานั้นคนที่มีปัญหาก็คือโง่จนเจ็บโง่ก็คือเรื่องของคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรก็ทรงจัด ก, การสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยการ สร้างสถานที่ศึกษาสนับสนุนการศึกษาในระดับในลักษณะต่างๆและในระดับต่างๆคนยากไร้ก็สงให้การสงเคราะห์อุปถัมภ์บำรุงด้วยวิธีการต่างๆตามหลักของการสังคมสงเคราะห์และเป็นการสงเคราะห์ที่มุ่งเสริมสร้างให้เกิดการช่วยเหลือตนเองได้เพราะถ้าหากว่าบุคคลบางผู้ที่รับการสงเคราะห์โดยไม่มีการช่วยเหลือตัวเองแล้วในที่สุด จะเป็นการส่งข้อที่ไม่รู้จักจบสิน้นตอนนั้นจึงทรงให้หลักสรงเสริมในแนวของอาชีพด้านต่างๆเพื่บุคคลเหล่านั้นสามารถจะช่วยตัวเองได้และต่อไปก็จช่วยบุคคลอื่นได้คนที่ประสบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งตามปกติแล้วก็มีอยู่เป็นจันนมากในสังคมไทยการจะช่วยเหลือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นไม่ใช่ว่าแสดงออกเฉพาะเมตตากุณาเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องใช้ความสามารถในด้านอื่นๆทั้งในส่วนกำลังครับกำลังคนกำลังความคิดเพื่อสามารถกระจากปัดเป่าโรคภยัยแคเจ็บกับบุคคลเหล่านั้นได้และพระองค์ท่านก็ได้ทรงแสดงให้ปรากฏตลอดการยาวนานจนถึงก็มีพ อ, อสวอเกิดช่วยเหลือประชาชนแค่หลายในส่วนต่างๆของประเทศซึ่งจะเห็นว่าลักษณะเหล่านี้เป็นการแสดงถึงประดมรัที่พูดในลักษณะเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคี ประสานความสามัคคีและกระชับให้เกิดความสามาัคคีแทนที่จะสามาัคคีเกาะกลุ่มอยู่ในหมู่พวกเดียวกันก็ให้กระจายเผื่อแผออกไปเป็นความสามัคคีเป็นกลุ่มรวมพลังที่จะสร้างสารร์งานซึ่งเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายจนกลายเป็นผลงานที่ช่วยกันสร้างสารรค์ประโยชน์บรรจับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนเป็นอันมาก คุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเรื่อ ง, องธรรมะก็คือเรื่องของธรรมะที่บุคคลผู้มีศรัทธาในพระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าประชัปัญญาพิจารณาสอดส่องจากตัวบุคคลที่ประพุทธปฏิบัติธรรมประสบผลเป็นความสุขความเจริญสมบูรณ์ในเกียรติยศชื่อเสียงทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบัน เป็นตัวอย่างแล้วน้อมนําธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็ได้เพื่อจะเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพิจพิจารณา ต, ตรวจสอบในแนวของการศึกษาการเรียนการสดับศักสิทธโดยโครงสร้างของรูปปริยัติแล้วน้อมนํามาประพฤตปิปฏิบัติแล้วจะสัมผัสผลแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยใจ เมื่อสัมผัสผลธรรมะด้วยใจแล้วจะเกิดความกระตือรุนที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติให้เพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นเพรลักษณะของธรรมะนั้นจะเป็นเหมือนกับอาหารที่บุคคลรับประทานเข้าไปโดยต้องมีการกศึกษาถึงลักษณะของอาหารเหล่านั้นและวิธีการรับประทานและต้องรับประทานเข้าไปเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วได้ลิ้มรสของธรรมะซึ่งจะเป็นรสอย่างเดียวกัน นั่นคือจิตจะหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสอำนาจของอารงไปโดยลำดับตามกำลังความสามารถของธรรมะที่บุคคลสร้างให้มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นมีการปรพฤษิอ่อนน้อมถํอมตนระบุคคลทั้งหลายอาการเหล่านั้นที่ปรากฏคกิขึ้นมาได้แสดงว่าจิตหลุดพ้นจากความกระด้างโดยออำนาจของมันะ หรือการที่บุคคลสามารถพูดจาในลักษณะส่งเสริมสามาัคคีประสานสามาัคคีและกระชับสามัคคีได้แสดงมาในขณะนั้นใจต้องหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงตามสมควรแก่แก่แกรณีดัง น, นั้นด้วยการที่บุคคลสามารถพูดจาด้วยเพื่อคํา้วยไพรละอ่อนหวานไดแ้แสดงมาในขณะนั้นใจต้องหลุดพ้นจากอานาจของความโกรธความริษยาความอาฆาตความพยาบาทเป็นต้นทุกขณะที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมได้ อีกด้านหนึ่งก็คือใจหลุดพ้นจากกับนาจของกิเลสถ้าเป็นการกระทำได้นานๆเช่นพูดจาไพเราะอ่อนหวานได้นานๆเพื่อมีเมตตาสงเคราะห์นุเคราะห์ต่อบุคคลอื่นได้นานๆตลอดการยาวนานนั้นแสดงให้เห็นว่ากิเลสซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อเมตตาธรรมคือความอาคตาพยาบาทก็ะจะสงบระงับภายใน จ, จากใจของท่านและเป็นผลที่ต่อเนื่องกันไป เก็บสะสมมาไว้เป็นกำลังภายในใจที่จะสนับสนุนให้มีความกล้าแข็งเกิดขึ้นภายในใจพร้อมที่จะอดกลั้นพร้อมที่จะทนพร้อมที่จะให้อภัยในการร่วมเกินจากบุคคลทั้งหลายเป็นภูมิธรรมที่อํานวยประโยชน์สุขแก่ใจของบุคคลเองของตนเองก่อนแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นในขณะนั้นๆ แล้วจะเป็นบุญยนิทิขุมทรัพย์คือบุญที่จะติดตามตนไปในสัมภาระเฉพบภายภาคหน้าเพราะนั้นธรรมะจึงต้องอาศัยการสัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเมื่อสัมผัสแล้วสันทะอุสาหาในการที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติก็จะเพิ่มขึ้นโดยลำดับจากนั้นคุณสมบัติของธรรมะคืออิทธิบาททั้ง4ประการก็จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในตัวของธรรมะเรานั้นเอง ท่านมีสันทะคือความพอใจในกุศลธรรมสูงขึ้นมีความเพียรพยายามที่จะเพิ่มกุศลธรรมให้สูงขึ้นจิตใจมุ่งมั่นอยู่ในกุศลธรรมใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องไปโดยลําดับจนคุณธรรมเหล่านี้มีความสมบูรณ์เต็มที่ความสุขความสงบอันเป็นผลที่พึงประสงค์จากการประพฤติปฏิบัติธรรมะจะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลบุคคลผู้นั้นได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสิบต่อไป